ก็ ไ, ได้ทำ ง, งานกับคุณแม่ซึ่งเป็นคนไทยได้เปิดปั๊มน้ำมันที่แพรท่าน้ำสามเสนตอนแรกกครอบครัวก็ดีขึ้นแต่พอคุณแม่ไม่มีเวลาจะไปคุมกิจกรรมปั๊มน้ำมันเราต้องดูแลลูกซึ่งยังเล็กพ่อก็เลยชักชวนเพื่อนซึ่งชอบดื่มเหล้าเป็นประจำมาอีกแล้วเหล้า oh. มาดูแลกิจการแทนคุณแม่กิจการก็เริ่มแย่ลง เราะตั้งพ่อและเพื่อนดื่มสุรากันเป็นประจำ เ, ออเป็นแง่มีคุณหรือโทษโทษครับทำให้นอนตื่นสายเปิดปั๊มบ้างไม่เปิดบ้างอ้าวแล้วกันจนกระทั้งต่้งเลิกกิจการปั๊มน้ามันเพราะเหล้าเป็นเหตุมีคุณหรือโทษโทษครับทำให้พ่อยิ่งดื่มสุรามมากขึ้นเมาแล้วแทนที่จะกลับมานอน ครับมาอละวะทุบตีแม่เป็นไงแม่คือคนที่รักของพ่อนะซึ่งพ่อคัดเลือกมาหนึ่งใน6 0พันกว่าล้านคนว่าสุดเลิฟก็แม่เนี่ยแหละและพอสุดเลิฟเนี่ยแหละเวลาเมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปเลิฟใครก็ลุยกันไปลเลยนี่วันหนึ่งพ่อและลูกลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นเลือดขังในสมอง สลบไปสองวันมอฟื้นมาพูดไม่ได้ก็อยู่ได้อีกสามวันก็เสียชีวิตเมื่อปีหนึ่งหแม่เป็นคนใจบุญใส่บาตรทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิชอบช่วยเหลือคนสอในให้ลูกๆอยู่ในศีลธรรมจะสอนลูกๆเสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปกติแม่เป็นคนแข็งแรงไม่เคยป่วยไข้นอกจากเป็นไข้วัด ออกไปทีแ้วคุณแม่ของลูกดิตกบันไดหอบฟาดพื้นทำให้เลือดขังในสมองเมื่อกี้คุณพ่อก็เลือดขังในสมองนะนี่คุณแม่ออต้องผ่าตัดแม่สลบไปสองวันฟื้นขึ้นมาแล้วก็พูดไม่ได้กลนอาหารไม่ได้เดินไม่ได้ เ, ออเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายขณะนี้แม่อายุ85ปีแล้วยังคงนอนป่วยอยู่ร่างกายผอมสูบตัวเล็กหงิกงอ มีพี่สาวแล้วน้องชายของลูกคอยดูแลอยู่ที่เมืองไทยอ๋อนี่เจ้าของเคสเขาอยู่อเมริกาซีแอตเ ท, ทิลสามีของลูกเป็นนักดนตรีสุรานารีบุรีครบทุกอย่าง<อ>เวลาว่างจะเข้าป่าล่าสัตว์เอาหนักเข้าอีกทั้งปานาติบาทด้วยไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวแต่ชอบช่วยเหลือสองเคราะห์ผู้อื่นอยู่เสมอ ทำบุญตามวัดต่างๆที่กันดานเมื่อปี46ซสามีของลูกเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจขัดน้ำลายฟูมปากลมฟุไปหมอบอกว่าเลือดข้างในสมองอ่ะสามแล้วนะสามเออแล้วนะ<อ>พ่อแม่สามีจึงได้รับการผ่าตัดหลังผ่าตัดทำให้เขาพูดไม่ได้จำใครไม่ได้และร่างกายบางส่วนด้านซ้ายใช้การไม่ได้โอ้ปัจจุบันยังต้องบาบัดรักษาอยู่และยังเป็นโรคหัวใจโตแทรกซ้อนอีกด้วย ลูกชายของลูกอายุ39ปีเป็นนักดนตรีไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่จัดเจ้าชู้นิดหน่อยออมีความรับผิดชอบเขาบครัวดีเคยไปร่าสายก บ, บิดาสมัยเด็กๆทุกครั้งที่ลูกสมบูรณ์เขาก็จะมีส่วนร่วมด้วยเสมอเมื่อสี่หนึ่งลูกชายได้เดินทางไปเล่นดนตรีกับบิดาขณะเล่นอยู่ได้มีอาการแน่นหน้าอกและฟุบหน้าลงกับเปียโนโ ได้เลียบน้ำส่งโรงพยาบาลหมอช่วยกันปั๊มหัวใจ oh. หัวใจก็ยังเต้นด้วยเครื่องช่วยหายใจแต่สมองไม่สั่งงาน oh. ทําให้ไม่รู้สึกตัวระบบต่างๆในร่างกายก็ผิดปกติหมอฉีดยากระต้นไว้สองวันแล้วก็บอกว่าแม้หายได้แต่สมองและประสาทไม่ทํางาน oh. ก็จะเหมือนเจ้าชานิทราถ้ oh. าถอดเครื่องช่วยหายใจก็จะตายทันที oh. และในี่สุดหมอก็ถอด เครื่องหายใจก่อนที่หมอจะถอดน้องสาวก็ได้บอกรับพี่ชายว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะส่งเสียลูกให้ลูกชายก็บีบมือน้าตาไหลแล้วก็ทำท่าเหมือนจะยกขึ้นทำท่าจะลุกจากเตียงแต่ลุกได้เพียงครึ่งตัวก็หมดลมสำหรับลูกชายตัวลูกเองบางครั้งรู้สึกเขายังไม่ไปไหนคอยวนเวียนอยู่ใกล้ พ่ อ, องลูกเมื่อตายแล้วไปอยู่พ่อภูมิไหนคะท่านทำบุญปรรกรอะไรมาบุญที่ทำบุญที่ไปให้ท่านได้รับหรือเปล่าทาไมคุณแม่ตั้งทรมาเป็นอัมพาตถึงหปีคะเกี่ยวกับสมองทั้งนั้นเลยท่านอย่างไรจึงจะหายบุญที่ทำให้คุณแม่โดยตลอดท่านจะได้รับบุญด้วยหรือเปล่าเพราะท่านอนุโมทนาบุญไม่ได้ท่านยังมีชีวิตยอยู่นะลูกชายตายแล้วไปไหน ลูดิสส่าว่าธรรมกายจำตัวและเดชะบุญหล่อลูบทองคําหลวงปู่วัดปากน้ําระสเจริญให้ลูกชายไม่ทราบเขาจะได้รับส่วนบุญนี้หรือเปล่าโลูกมีกรรมอะไรที่ต้องมาเกิดร่วมกับพ่อแม่สามีและลูกชายซึ่งแต่ละคนได้ประสบข้อกรรมด้วยอาการเลือดข้างในสมองคล้ายๆกันพ่อแม่สามีและลูกชายส่วนตัวลูกต้องทําบุญอะไรคะจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้นี่ฝันนีนฝันนะฝันในฝันนะ ทั้งเรื่องในฝันในฝันพ่อตายแล้วอาสันติฐานที่ไปไหนกมหา้าไปอยู่มหาราชขุมหา้าก็มีกายพร้อมดำใหญ่โตปานภูเขาหนึ่งนั่นแหละกำลังถูกกรอกน้ำกรดสีดาจากนายนิรยบาลเดย ก, กรมสารจะทุกข์ทรมารอยาอีกยาวนาน แล้วก็จะได้รับกรรมอย่างอื่นที่ทำตอนเมาอีกตั้งหลายอย่างนั่นแหละ อ, อีกกรรมอีกหลายหลายอย่างต้องอยู่ในนี่อีกยาวนาะนบุญที่ทาไปเนี่ยจึงยังไม่ได้รับไปคอยอยู่ในยมโลกจะต้องช่วยด้วยวิธีพิเศษคือปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงวิชาธรรมกายลูกชายตายแล้วยังวนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ อยู่ใกล้ครอบครัวจริงๆนั่นแหละเ oh. พราะใจ ย, ยังผูกพันอยู่มากครอบกับยังไม่หมดอายุไขที่แท้จริง oh. ซึ่งความจริงแล้วต้องตายตอนเมื่ออายุได้ถึงหกสิบปีแต่ก็ตายตอนอายุสามสบเกควรจะตายตอนนั้นแต่กรรมที่ไปล่าสัตว์กับพ่อเนี่ยมันมาทันก่อนเนี่ยมันชริงช่วงช่วงจริงช่วงช่งจริง พอมาทําด้านไหนก็มาตัดรอนก่อนแลยทําให้ตายในโรคนี้โดยอายุเพียงสาสกาปีวันทั้งวันก็คอยติดตามครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตามคนนู้นเดี๋ยวก็ตามคนนี้เพราะกายละเอียดมันแวบไปแวบมาได้กายมันเบาบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับได้รับทุกบุญแต่ใจยังผูกพันกับครอบครัวอยู่แล้วก็ยังไม่หมดอายุไขที่แท้จริงจึงยังต้องอยู่บนพืมนุษย์ แล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวเมื่อใดเนี่ยใจเขาหมดห่วงจากครอบครัวหรือหมดอายุไขจริงๆคือถ้าหมดห่วงก่อนหมดอายุไข่จริงเนี่ยบุญนั้นก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าอาจจะไม่หมดห่วงก็ต้องไปคอยจนหมดอายุไข่จริงคือเท่ากับอายุหกสิบปี ถ้าเร็วก็ต้องหมดห่วงจากครอบครัวห่วงนี่สําคัญนอะใจเนี่ยมันสําคัญเลยถ้ามันห่วงปั๊บอยู่ตรงนั้นละห่วงเล่าอยู่กับเล่าห่วงบุรีอยู่กับบุรีห่วงครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวห่วงไพ่อยู่กับไพ่ห่วงอะไรก็อยู่กับตรงนั้นหละห่วงอะไรศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ก็เรียกว่าห่วงสีขาวห่วงสีขาว บุญที่ทำไปให้จะส่งผลคือถ้าหากาหมดห่วงนะก็จะไปส่งผลให้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้โดยไม่ต้องไปอบายเพราะบุญเนี่ย อ, อุ้มเอาไว้ไม่งั้นก็ต้องไปอภัยหรือหากทำบุญอุทิศให้ไปเรื่อยๆก็จะไปเกิดในภูมิที่สูงกว่านี้ได้ตามกหลังบุญ ค, บคืออาจจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากผู้มีชีวิตอยู่ ทำมับอีกทำก็ไปอีกทำก็ไ ป, กไปเรื่อยๆครับและใจก็พร้อมที่จะรับอนุโมทนาดได้ก็จะส่งไปอย่างเป็นภุมเทวาลุะเทวาอากาศเทวาเงี้ยไล่กันไปที่คุณแม่เป็นอวาภาพาเป็นเศษกรรมคือสมัยที่คุณแม่เคยเกิดเป็นผู้ชายท่านเป็นคนขี้เมาเห็นแหมเนี่ยเมา<อ>ไหมเมาเพราะดื่ม ดื่มเหล้าก็ดื่มเหล้าสิอยู่บนางเมาไปเลยไม่เมาก็ต้องดื่มน้ําเมาเลยเมากินก๋วยเตี๋ยวเมาไหมไม่เมาไม่เมาขี้เมาแล้วก็เจ้าชู้ด้วยไอกรรมเจ้าชูก็สมกับเป็นผู้หญิงทีนี้ตอนนั้นที่เป็นผู้ชายเมาแล้วเนี่ยพอเมาแล้วก็ลุยแม่บ้านเลยทั้งทุบทั้งตีลูกเมียเป็นประจํำก็เลยทําให้มาเจอสามีขี้เมาแล้วก็ ทำลายตัวเห็นไหมทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นครัปลูกถั่วก็ต้องเป็นถั่วปลูกงาก็ต้องเป็นงาปลูกถั่วจะเป็นงาได้ไหมไม่ได้ลูกงาจะเป็นถั่วได้ไหมไม่ได้ยกเว้นคนตาตาถั่วตาถั่วเออเปนอย่างนั้นเราจะบอกได้เพราะฉะนั้นตอาไม่ผู้ชายขี่มาแล้วเจ้าชู้กัมเจ้าชูมาส่งให้เป็นผู้หญิงเห็นไ้มมันเป็นเหตุเป็นผลกัน แล้วก็เพจเจ้าจูก็้องมาเกิดเป็นผู้หญิงก็เล่ามาเจอสามีขี้มาว่ราตอนตัวเป็นสามีเขาเนี่ยตัวก็เมามาแล้วก็ไปทุบตีบุตรภรรยารแล้วที่มาเป็นอมภ่านีก็เพราะว่านอกจากชาตินั้นเมาแล้วทุบตีบุตรภรรยายังชวนเพื่อนไปลุมกระคู่อี่ไปลุยก็ซะจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็เป็นอมภา่า<อ>เห็นมทาอย่างนี้เห็นไม กรรมเป็นอมภาตก็เป็นผังสำเร็จติดตัวของแม่มาถึงขีดถึงคมก็ระเบิดตุ่มเป็นระเบิดเวลา ร, ระเบิดเวลาอมภาตตัวก็เป็นอมภาครับทีนี้พ่อแม่สามีลูกชายทํำไมมีอาการเลือดคั่งในสมองเพราะมีกรรมคล้ายๆกันพ่อก็มีกรรมคล้ายๆอย่างนี้แม่ก็มีสามีก็มีลูกชายก็มีอย่างนี้กรรมก็เลยมาดึงดูดให้มาเจอกันมาเกิดร่วมกันรกรรมนั้นก็คือกรรมสุราและปานาติบัติ ดื่มเล่าก็ฆ่าสัตว์มเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์โดยฆ่าที่หัวหนึ่งเอามีดแทงหัวเอาธนูแทงเอาอะไรจะยิงก็ยิงที่หัวกันก็ให้ทีเดียวตายเลยไม่ตั้งสองทีไม่ตั้งสองทีเนี่ยไม่ต้องซ้ํอาอีกเลยไอทําตรงนั้นมันก็มาแต่เจอตรงนั้นทําตรงหัวก็เจอตรงหัวตรงนี้เห็นไหม ตัวลูกเองคือเจ้าของเคสตอรี่เนี่ยก็เคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ขี้เมาแล้วก็เจ้าชู้ด้วย oh. กามเจ้าชู้ก็มาเป็นผู้หญิงนี่แหละแล้วชาตินั้นเวลาเมาก็ชอบชกต่อยทุบตี oh. คล้ายแม่ในชาตินั้นน่ะ ค, คล้ายแม่คุณแม่ที่เกิดเป็นผู้ชายแล้วเมาแล้วทุบตีบุตรภรรยานะ น, น, นี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังไว้นะลูกนะต้องจานะ ระวังไว้นะลุกนะอันนี้ระวังระวังนี่สำหรับลูกที่เป็นเจ้าของเคสซาดี้เนี่ยมันมีผังสำเร็จติดอยู่นะจ๊ะ<อ>เวลาลูกอายุหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยระวังนะจะมีอาการคล้ายๆคุณแม่<อ>ต้องมันสั่งสมบุญให้มากๆและอุทิศให้กับผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาในตอนเมาทําบ่อยๆ กรรมนั้นจะได้บรรเทาเบาบ า, บางเจ oh. ือจางลงไป oh. มันอาจจะหนักเป็นเบาหรือเราอาจจะเบาแล้วหาย oh. คือไม่เจอเลยก็ได้ oh. ขึ้นอยู่กับบุญปัจจุบันนี่แหละ oh. แต่ผังสาเร็จ ม, มันมีอยู่นะลูกนะห oh. กสิบกว่าปีขึ้นไประวังนะลูกนะระวังให้ดีเ oh. นี่ยใครเจ้าของแคสตดี้เนี่ยอยาจจะไปอ่านชื่อก็เลยเด oh. ี๋ยวูตปฏิบัติธรรมวอชิงตันเนี่ยซียโต้เน่ย มันมีนะลูกนะต้องจานะจามไม่ได้จดเอาไว้จาเอาไว้เนี่ยมันดีกว่าจดแต่ถ้าจามไม่หมดก็จดเอาไว้ดีกว่าจดเอาไว้ทั้งจดทั้งจาจามไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องของเค s e study